อ๋ออันนี้คนเยอะสาวหรืออาทิตย์มันโอ้โหพติดทน้ัหมดบ้านคนนาก็ไม่ติดนี่ทิ้แผ่นเย่ยๆก็อ่านห้องมันจะกลับมาน้ำแล้ว ทรายก็ว่าจะไปเมืองไทยชมอะไรอีกนค่ะอือชินตก็บ่มาไปหรอยัมาอยู่เดจะไปตลอดไปบ่จะมาไปเราติดตามมากอะไรฮะชินไงบมาไปเลยปติทินมากปฏิทินเมืองไทยเมิดไทกุฏิ แขนวันนี้กุงไทยกุ้งยังเตาแผ่นเี้ยบ่ายตัวนเายูแหลงทั้งวีมันตกมันเย็นมันสบายใคาจะทำทั้งกะทันละวันทาวันนี้่วันนี้ทง วันพนมเันกะชลองเดี๋ล้งวันนี้ค่ะอ่าคนอื่นล่ะ่อไปอไปลูกลามบุญไปลัไปคนอื่นก็มาทาได้คนอื่นก็ําได้โอ้ไปมินทบาททางนี้บ้านใหญ่ก็เงียบน่าจะไปทางนี้แต่เราไปนั่งรถไปไม่ก่อท่า ไปลงกทางไฟเดินไปถ้าฝนไม่ตกรู้จากทางไ ป, งงไปโว่บ้านใหญ่บ้านเพึ่งแถวไปเอามงินคนเดียวแต่เป็นคนเดินไม้เขาสังเกตกันหรือเขาบอกกันก็ไม่รู้ <c oughs> ถือต้มใส่สองลูกโอ้สองลูกก็พอใจแล้วนะ <c oughs> ไปคนสบานน <c oughs> บ้านพึน่งแถวถ้าเราไปบ่อยๆ เห็นทุกวันทุกวันโอ้ยทนไม่ได้หรอกคืแต่ทาแต่ดเฉพาะเราเดินไปจิตญามันได้ไม่ใชเราเดินไปเอาของเราไปปวดพอใจไหมพุทธเจ้าเราปวดเราสาบานเอาได้จะยำว่าได้จะหลาตัวหลงเป่ายังอไปปวด ไปหาเทียอย่างเดียวก็ไปเข่าท่าแล้วอันเผยแผ่พระศาสนามันได้ทุกอย่าเขาได้เห็นันกซึ่ง ใ, ใจถ้าเผยแผ่พระศาสนาไม่ได้บิณฑบาตไปไม่รอดหรอ ก, กที่คิดตัวกุ่มเป็นอยู่ของพระเป็นอย่างนี้อย่างนี้นทุกอเมริกายี่เดินไก่กันด้วยเป็นเสียอย่างเดียวใส่รองเท้า <c oughs> มันเจ้วเยอะ แกเาเว้ยไมันกอไไ่เป็นแลรร้วเขาเล่หน่อยมัน้อหายอันหลวงปู่วะอามา่าใครจะร่วมก็ได้อันของทุกคนนั่นแหละ นั่เรียกาของขอนีั่น่คนอามาพรอกันเลยอมันไทก็ได้หมเาางนี่า่ยกรหกมาเลยยาเลยยกกมลยามามกมนเ่าเลาเลาเกมาเกมยมาเลยเลาาเลลกกลยกมาเลยเามยกลเยเามก เออเขาไว้ที่ไหนอืมเนาะเป็นมือไว้จะตั้งารปาะจะทำมินโอปจิตตวานิโรจนติเทสังโปัสสโมสุโค โดยเฉพาะเราเคาลรนับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดีผู้ญาติยายถ้ามีพันญารุกเต้ า, าหลันเหลนผู้่วงลับดับขันไปแล้วเราคิดถึงเวลาใดเราก็ทำได้บุญโดยเฉพาะภาคปฏิบัตินั่นแหละอันนี้มันเป็นอุบายเฉยๆภาคปฏิบัติคือนั่งแผ่ส่วนบุญกุศลเราให้ได้ทาแล้วนี้ให้ สติพี่น้องปู่ย่าตายายสามีปรร ญ, ญาลูกเต้าหลันเหลินที่ล่วงรับดับขันไปแล้วแบบนั้นเราจะจัดส่งของไปประเทศไทยให้พ้อให้แม่ให้พี่ให้น้องปู่ย่าตายายหรือใครเราเคารพรับถือเราต้องมีของถ้าไม่มีของเอาอะไรส่งไปโดยเฉพาะจิตะปัญญาไม่ได้ใช่ของไม่นุ่งห่มไม่ได้อยู่ได้กินแต่เป็นอุบายหนึ่งที่ได้ให้ รวมสะดวกแก่พระเท่าพระสงฆ์เรียกว่าทานส่วนบุญจริงๆจิตตะวิญจาร์จรินบุญขอบุญจากญากติพี่น้องเอาบุญไปถไ่ยเจ้ากรรมในเวรถ้ากรรมไม่นักก็ได้รับแล้วก็เจ้ากรรมในเวรก็ปล่อยให้ไปเกิดดีถึงสุขถ้าเป็นนี้ยู่ก็เหมือนทางโลกนั่นแหละติดอยู่ในเวรจำนั่น ถ้าเบาหน่อยไปประกันออกมาถ้าเบาหน่อย4ี่ปีห้าปีได้ออกหรือใครมีจตุปัจจยไปประกันออกมาก็ออกปล่อยไปได้ถ้าไม่มีล่ะนี่ฉันใดเหมือนกันเรื่องของจิตตะวิญญาณ <c oughs> ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วบุญกุศลจากญาติพี่น้องมีจิตตะมีพี่น้องก็ดีไม่มีพี่น้องก็ดีจิตตวิญญาณทั้งหลายทั้งปวง เหมือนคนจุลินโรคนะทำบาปทํากรรมมาบางคนก็มีพี่น้องไปไถ่ไปถอนบางคนไม่มีพี่น้องไปไถ่ไปถอนก็ติทํานองจองจําทุกข <c oughs> ์เพราะฉะนั้นทวายเจ้ า, าจึงให้เปิดใจกว้า ง, างแพร่ส่วนบุญกุศลไม่ใช่เฉพาะญาติพี่น้องถ้าเรามีเราแพ่ไปตรงไหนก็ได้รับถ้าไม่มีก็ไม่ได้รับวันที่จะมีเราทําบุญบาป ไม่มีซื้อขายทำเอาเองทำให้เกิดทำให้มีขึ้นในใจบุญอยู่ที่ใจบาปก็อยู่ที่ใจสวรรค์ในอกนรกในใจเรายึดถือกับคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพกราบไหว้สักการะบูชาถึงครบรอบ อย่างพูดมีกิตตทาครบรอบพ่อแม่ปู่ย่าตายายเสียชีวิตแล้วทำบุญบุธิ์ให้เพื่อไม่ให้ลืมกะตันยุกะตะเวทีบุญคุณที่ท่านเลี้ยงมาถ้าไม่มีพ่อแม่ปู่ย่าตาใยจายเราก็ไม่ได้เป็นคนมาเราก็ตอบแทนทางภาษาโลกอย่างมีลูกชายให้บวชคนา <c oughs> ข้าวป้อนน้ำนมของคุณพ่อคุณแม่ทำไมทึไมให้ธรรมดาทำละ่ะก็บวชมีอดีสูงยเยอะก็ได้ปฏิบัติธรรมมีศีลสองร้อยยี่สิบเจถึงของโยมห้าข้ อ, อยังรักษาไม่ได้ของพระสงฆ์อสอง้อยี่สเจ็ถ้าผิดข้อใดข้อหนึ่งต้องปรับโทษอีก นี่ปรับโทษทางศีลธรรมก็ไม่เหมือนทางโลกนะใจเศร้าหมองทำสมาธิไม่ได้จิตไม่นิ่งมันจิตใจเศร้าหมองต้องสำละจิตใจให้ใสสะอาดถ้าจะฟังศีลสองสิทุก15้าวันเรียกว่าลงอุปโธสทหรือลงบอท หรอฟังพระปฏิโมกต์ก็ฟังพระวินัยสองรอยิบเจ็ดข้อมีอะไรบ้างไล่ไปไล่ไปสวดให้ครบสองรอยนู่น <c oughs> ไม่ใช่เอาเทพไปสวดฟังไม่ได้ต้องให้พระสงฆ์ผู้มีความจดจํามีความภาคความเพียรจําได้มีความภาคความเพียรจําไ ด, าาาได้ทุกคนเน่ยถ้าไม่มีความเพียรก็จําไม่ได้ตักขี้เกียจ คนเท่าคนแจกบวลงโบราณไปบวชกับหลวงปูยย่ใหญ่เลยไม่ได้เคยเขียนหนังสือนะแต่ไปท่องเพราะพีมม่โมกยังได้อยู่ลุงพ่อหลวงตาสมัยก่อนๆโน่นไดเรียนหนังสือที่ไหนไปสอนกับครูบาอาจารย์ก็สอนกับปากนะไม่ได้มีหนังสือเขียนนะเ <c oughs> พราะฉะนั้นอากให้เข้าวไกเข้ามาทําบุญให้ไม่เสียหายอะไรเราหามา ก็มาแบ่งปันผู้ทเจ้าสอนให้หาสมบัติทางโลกเอาไว้ได้มาแล้วปันไว้สามส่วนหนึ่งปิดปากหูเห่าหูสาสองากไว้เวลาเก็บไข้ได้ป่วยสามฝากไว้อริจะซัพภายในคือทานให้แก่ผู้มีศีลธรรมนะ ต้องคุณรู้จแบ่งปันเอาไว้ดิสมมติว่าได้สมมติว่าวันนี้ได้สิปารแบ่งฟันสส่วนรู้จักไว้ให้งูเหา่างูสาใส่ปากให้งูเหา่างูสามันไม่ได้กินมันก็เหา่ากินแล้วไม่ได้ใช่ไม่ได้แต่งตนแต่งตัวไม่ได้ประดับประดามันเหา่าฟอกๆนั่นงูเหา่างูสาอยู่ที่หัวใจเรา <c oughs> เราไม่ตีความหมายไม่เป็น ฟังเราก็ฟังทิ้งไปทิ้งไปเ ก, ก็บไว้ฝากไว้เวลาเก็บให้ได้ป่วยมาถ้าเราไม่มีจุดนี้ลําบาก <c oughs> อดีจะทรัพไปในฝากไว้สมบัติของใจอีกก็ฝากไว้จางที่นี่เราทําสมบัติของใจนะเราได้ทําแล้วนะบุญกุศลไปปกป้งองคุ้มครองบุญกุศลตัวนี้ไม่สามารถที่จะมองเห็นไวาตาเนื้อ ต้องตาภายในอ่านเห็นไหมผู้มีกิตติ์ตาจึงทําได้ไม่มีกิตติทตาทำไม่ได้เราได้ทําทานเราก็ดีใจมีปิติมีความผู้ใจมีความสุขใจไม่เหมือนไปป้นไปฆ่าไป ข, ไปขโมยเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนตนเองไปป้นไปกี้ไปฆ่าไปตีไม่เหมือนนเรามีกิตติ์ตาเราก็มีความสุขใจนิดหน่อยอย่างดีน้ำเข้าน้ำเข้าเป็นนิสัยไม่ได้ทําไม่ได้ เคซ้ำแล้วโอ้ยไม่ได้ใส่บาตรวันนี้ไม่สบายใจะเป็นนิสัยอุปาทิสัยก็เพิ่มเข้าไปอิศฐาเป็นวัฒนาเป็นบา ร, รมีถ้าเป็นบา ร, รมีเตี่ยมเปียเป่ยมแล้วไม่มีใครมาแยกออกไปได้เพราะนั้นไม่ได้เสียหายนะเราเกิดมาด้วยบุญเราต้องอยู่ด้วยบุญเราก็กลับบ้านเก่าด้วยบุญเกิดมาด้วยบุ ญ, อ ย, ยบญอยู่ด้วยบาปขาดทุนแล้ว บุญท่านั่นจะพาไปถ้าไม่มีบุญก็บาปพาไปจะเกิดก็เป็นคนทุกข์ยากลาบากอนาถาพิกลพิการบ้าใบาบอดนวกมันเกิดได้อยู่ถต่เราไม่ปฏิบัติจริงๆก็เกิดเป็นคนตายเป็นคนเป็นคนอยู่แต่มันไม่เหมือนเดิมเห็นไหมคนทาเราทำไมไม่เหมือนกันล่ะป็นคนเหมือนกันในโลกนี่ บางคนมั่งมีสุขความลงบางคนร่ำรวยสวยงามบางคนทุกอย่งทุกอย่างพออยู่พอกินพอใช้พอไปก็มาบางคนกดหาอยู่หา ก, กินลําบากตากตําแต่นอนอยู่กับกองขยะเห็นไหมละ่ะฝ <c oughs> นตกอย่างนี้ก็ไม่อยู่เฉยๆหรอกอาสาบ้านเรากวดหัวเรากอหัวหายาดูหันแล้วแล้ววันนั้นกันบเจบ่พ่อหินพ่อใส่อยู่เห็นไหมละ่ะ ไม่ใช่ว่าบุญเหรือจำแนแกแจกจ่ายไปบุญกรรมจำแนแกแจกสัตว์ให้ไปตามบาปตามบุญ <c oughs> นั่นแหละเพราะฉะนั้นให้สะสมอาไว้โดยเฉพาะคำว่าทำบุญเนี่ยหรือทานหน้าที่ของผู้เจ้าสอนสัตว์โลกให้ทำอะไรคนอยู่ในโลกหรือว่าคาวาะผู้คลองเรือนควรจะให้ทำอะไรให้ทานให้รักษาศีลแล้วก็ เริมเมตตาภาวนาทานสินภาวนาทานสินภาวนาพูดกันอยู่แต่พูดตแต่ปากเฉยๆจะไม่เข้าใจภาวนานี่ตัวสุดยอดตัวสุดท้ายทานสินบุญจะงให้เข้าใจง่ายบุญคือความถูกใจไปเบาไปวัดไปเบา่าพระก็บเเบา <c oughs> ถ้าเบาก็ไปได้ใจนะัะพาไปสวรรค์พาไปนิพพานถ้าใจหนักไปไม่ได้ถึงดะย่ําแล้วย่ำเดีกตัณหารักลูกเหมือนเชือกผูกคอตัณหารักสามีภรรยาเหมือนปอผูกเกาะกันหารักทรัพย์สมบัติเหมือนปอกมัดตีนมัดหมดแล้วจะไปได้ไหมนิพพานไปไม่ได้ก็อยู่ที่ไหนล่ะเมืองนรกคุณมาจากไหนมาจากเมืองนรกนั่นนรกอยู่ที่ไหนร่ํารวยสวยงาม ใจของคนอยู่กับร่ํารวยใจของคนอยู่กับสวยงามร่ารวยแล้วจากสวยงามจากสวยงามงามแล้วทําไมเท่าเป็นแก่เป็นเก็บเป็นตายเป็นคําของกุเจ้างามที่ใจไม่ใช่ใบหน้าไม่ใจงามเป็นยังไงกันนี่ไม่รู้ถ้าเราไม่ดูไม่เห็นใจอ่ะไปดูแต่ร่างกายทีย่ชอบของปลอมไปชอบของปลอม ไปปูนแตงของปลอมไปยึดของปลอมไปหลงของปลอมพูดู่ของปลอมของปลอมแต่ไม่เข้าใจก็เพราะเราไม่ดูบุญเขาลงเพลงสงไงสงสัยข้างในจะเป็นของปลอมก็ไม่เข้าใจฟังเพลนี้ก็ฟังแล้วทำของพระเจ้าเอาแค่นี้มาพิจนาเราก็เบื่อแล้วโอ้คนเราไม่อยู่ใ้ความลุ่มหลง ป้อมหลอกลวงต่มตุนเห็นไหมล่ะด้านของพวกเราพระพุทธเจ้าสวยงงามกับป้อมเอาน่นใบห่อเอานี่ไปห่อเดี๋ยวนี้เอาวงมาไลยไปคล้องคอรูปพระพุทธเจ้าก็ยังมีแล้วไม่มีที่ห้อยสวยงามสวยงามเลยไปทางกิเลสตินนั่นเห็นไหล่ะไปทางนรกแล้วผลสุดท้ายไปเ พ, พีงหวงพระพุทธเจ้าได้ทิ้งไปหมดได้หลงไปหมดตน นั่นเห็นไหมวิธีเข้าภรษาเดี๋ยวนี้ลังไหลไปถวายเทียนที่โน้นถวายเทียนที่นี่ทอดเทียนที่นน่นทอดเทียนที่นี่ถวาย <c oughs> สิ่งที่ไม่ถูกต้องตามคําสอนของผู้เจ้าแสงเทียนทองตาแสงปัญญาส่องใจถ้าจุดทูปุดเทียนเห็นสวรรค์ น, นิพพานไม่ต้องมีพระสงฆ์บวชแล้วถ้าทูปทัดเทียนมาจุดเอา เผาบ้านเผ่เมืองเผ่านนเผานีย้ยุ่งไปหมดนัด่นเมื่อนั้นให้พยายามเน้นหนักภาพทําบุญจากมีสติจากมีปัญญารู้ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือทําบุญสมาธิเกิดปัญญาแสงสว่างเสริมเลวยปัญญาควา่ำรอบรูในกองสังขารเรียกว่าปัญญารู้จักในสังขารน่ะสังขารภายนอกสังขารภายในคือความปรุงแตง่งสังขารภายนอกคือตัวของเรารูปเสียงกลิ่นรสกลินน้ํามลมไฟ มันเป็นภาละกับทั้งขานภายนอกไ่ใช่หรืออยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามหาปรุงหาแต่งดัดแปลงให้เป็นอย่างน้นให้เป็นอย่างนี้เปนปรุงไปปรุงไปไม่มีที่สิ้นสุดนะะถึงกับขนคิ้วดีๆเขียนใหม่ขนตาดีๆแต่งใหม่ฟันดีๆแต่งใหม่เมื่อหนังบังสังดีๆก็แต่งใหม่เพราะควมปรุงแต่งไม่ใช่เหรือแต่งเท่าไหร่ก็เท่าก็แก่ก็เจ็บก็ตายก็สวดไปแล้วว่าไปแล้ว ความตายของเรามันเที่ยงแล้วความตายของเรามันเที่ยงแล้วเห็นไหมไม่เห็นพูดขอในนกแก้วมันก็ท้องไแต่รู้ความหมายไหมอยากรู้ความหมา ย, ม ย, าามมายทำบุญนั่นถ้ามีสติสมาธิกับปัญญาเกิดมีความรอบรู้ว่าปรุงแต่งแบบโลกิยะบรุงแต่งบรุงแต่งไม่สองปุงแต่งปรุงแต่ ง, ง, ต ง, ง, ตงโลกิยะบรุงแต่งโลกุตาละ โลกุตละคือทำให้จิตใจเบื่อนายจากล่ำรวยจากสวยงาม น, น่โลกิยะปุงแต่งให้ลํารวยปุงแต่งให้สวยงามหลงต่อไปมืดต่อไปอีกให้เน่นหนักภาคคำบุญแน่นมากๆไม่ซื้อนี <c> ่ะ <oughs> ให้เน่นหนัก ถาปฏิบัติจมีคนาฏสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นนั่นแหละความรอบรู้ในกองสังขารเรียกว่าปัญญาเ ว, นนาวนทนาจุจขนเอาตนได้ช ม, ม, ม, ม, มลูกหลานญาติพี่น้องได้เสียสละมาโดยเฉพาะวันหยุดันก็เพิ่มไปขอน้าโภชนาอาหารเต็มไปหมด <c oughs> เลยไปยึดถือจะรับนี่แหละกับอามิตรบูชา <c oughs> ถ้าไม่เอามาก็ไม่ได้หน้าที่ อ็มาหยุดยาไปทิ้งยาไปทิ้งบุญมาทำทานใส่บาตรอะไรแล้วก็หาวิธีนั่งให้สงบให้นิ่งหรือเราเตรียมของมาแล้วเราก็วางแล้วเข้าที่นิ่งเข้าที่ทำบุญทานศีลบุญถ้าเรารู้จักคำว่าบุญตีกับไปกลับมาบุญศีลทานทานศีลบุญ ทานสิ่งของศีลกูจกความละอายแก่ใจมีหฮลิมีเฮลิมีความละอายแก่ใจว่าคิดบาปคิดบุญเป็นยังไงนั่นแ่ะลำลีชอบหนักภาคปฏิบัติให้มากๆอ่ะมุขสนนยมชินมันพระก็ดีวันดุก็ดี เราได้มาทําให้ครบบริบูรณ์ทานศีลบุญอำนาจบุญกุศลเราทํำแล้วนี้อํานาจบุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ของปู่หลวงพ่พอได้ปฏิบัติมาแล้วก็จงมารวมกันจงปกป้องปกปักรักษาเอาคนได้ยอมลูกหลานได้ตีพี่น้องตงมีแต่ความสุขควเจริญสุขกายสุขใจหายจากทุกโศกโรคภัย บุญกุศลใดที่ออกตนได้ชมลูกหลานญดติพี่น้องได้ทําแล้วอุทิศในเจ้ากรรมในเวรเจ้าที่เจ้าภูมิตลอดพ่อแม่ปู่ย่าตาใจลูกติดลูกหาลูกหลานหลานลมหายตายจากไปแล้วจงทราบด้วยยาลวิถีอนุโมทนาเอาบุญกุศลจากออกตนได้ชมลูกหลานไดติพี่น้องอุทิศให้แล้วจงไปสู่สุคติสัมปารายยกะพบสมดังความปรารถนาดวงอาลนันเถิด